ตามอยากพระพุทธนาทั้งสองไม่ัดเกลงและย่ำ ท, ท, ทานทุนพญนามีอการให้การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทานของทายกทายกาทายกทายิกาประยชตผู้เสียสละสติปัจจัยและกติยภาพัน ม า, มาถวายในถ้ำกลางสงเดือดเสือ ส, สล่ะผู้เทียบไปในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าคายกและคายิกาคำว่าคายกค า, า, า, ายกิายกาั้นเป็นผู้เสือสละแล้วเป็นที่ให้แล้วเป็นผู้เคื่อแล้ว เพียงตู้คือการความดีให้ซึ่งการดังนี้เรียกปราภัยเยอกเรียกปบะภายยกาอย่างนี้เป็นที่ให้ตีเสียเวลาก็เลือกประภัยเยอะภัยกาเป็นต้นแต่การให้การช่วยการเสสละนี้ก็ไม่ใช่การมาเพงทานนั่นเองเยอตัวอย่างเรจะทำบุงบ้าง เพราะคุณสมควรจะประสงค์ให้ตัวเองจะโดนตกบ้านใหม่ก็ขลองอังกันบัพเุิงกูสงการจต่ของบ้านนั้นก็เรียกว่าทาโยคไหกากาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้และเชื่อได้ยอยู่ทัวเองแล้วก็ให้ผู้ฉยาว่าทายกากาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรม ในพระศาสาก็เรียกอบาสยาบาติกายอมปฏิบัติและรับสาวถึงศิอบกศมีาเองตจกาและกำหนสครบจึงเรียกว่าอุบาสบาิกาัาไว้จิตมีความหมายอย่างนั้น อุบาสกปฏิการนั S ้นรักษาศีลรักษาอุเบกตก็เรียกว่าการปฏิบ si ัติธรรมเมื <K> ่อธัมมะิบัติหนึ่งขาวุ่นขาวจะถือว่าบวชเป็นการบวชเมืขัมมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอุบาสกปฏิกาแสดงเนตอบาสกบ้างแสดงเตนตัวบาสิกาบ้าง ได้รับกมาฐานแตสมาทานศิลป์สมาทานกรรมฐ า, านงั้นแล้วก็เอามาประพฤติตและปฏิบัติให้สะตอเตอเองก็มือธรรมะมือศิลป์สมาธรรมิปัญญาอยู่ครบโดยการกําหนดสุขให้สุขปัญญาจะเลื่อนปฏิปาทาสตูมรักษาอริยสัจสตูก็มือศิลป์สมาธิปัญญา มีสติธรรมทานยะอเคคุเบกขุนสุตยะด่านั่นก็เป็นสุตยะด่าดีแล้วก็ถูอท่านหล่านั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิบัติชอบแล้วเป็นมหนาสุขแล้วนั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนาก า, ารภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันสุดขึ้นมาให้ใจสะอาดในดวงสุดเดวงใจ มีประโยชน์ชหลับที่ปฏิบัติธรรมมากนิดหน่อยแต่การทาถวายเค่อาถรรสังฆะเรียกถวายสงฆ์ไม่จะะตรงกับทุกเรลดหนึ่งลดใหญ่ก็หามไม่ได้ถวายไม่ามสังฆสงฆ์การถวายสงฆ์ก็คือไม่เจาะตรงเรีย ก, ยรยย เ, ย เ, กรเรียกเองอาถรแต่ถวายโดยเจาะตรงเรียกว่าปุขลิศทาน อยู่คอยกษาญีถวายแต่หน่วยเดียวและท่านเดียวองเดียวก็ได้เดินไม่จะมาได้แต่ได้ไม่มากได้มาไปสังคผานให้ผานเที่ยวไปไม่เจาะตรงยกตัวอย่างอาจารย์เหวินสร้างถนนเทียนขาชนะประโยชน์ติดบอลหน้าใน่ทะลับผานเที่ยวไปไม่เจาะตรงหรือสร้างโรงทานเป็นต้น เป็นประโยชน์จึงดอนพระพุธะทธเจ้าประโยประชาเป็นประโยช น, น์ ง, งอนกระตามเรืองทาให้ทานเทือกตทุกอย่งางตลอดกระทั่ทงเครืสวิสุขาพรให้ทางข้งา ง, งประโยชจงนาให้แตยย่ยาเกย า, เายาเกยามีพกเทือกปดที่มาขอทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้ การให้ทานุก็ตาพรสโลมพรท่านทป็นบาปกับอิตกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไมา่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอตาตมานนเองเดวดในหม่ใหม่มีผ้าปลายอยู่สามปลายไหวายย้งตาไปแล้วก็ไม่ทราบว่าพาเนี่มันขาดม่นขาดมาจากร้านค้าทั้งตาก็เหนไม่ไาดา้ เราไปบางส ก, กุลกลับมาคื่อข้างสื่อขาวก็ได้พาขาดมาทุกครั้งอนนี้ทานจะเหมือนกันทาน้วยเจตนาทั้งท่านที่บริจาคอย่างนั้นต่นบริสุทธิเ์เรื่องบริสุทธิ์ทา ง, งของเครื่องัตถุพยาานตอบริสุทธิ์ทงจิตใจเรืยอเจตนาทั้ ง, งท่านต่ตงบริสุทธิ์เรื่องอยามาขยายท้งนี้นะ คำวมาบริสุทธิห์หมายของยัตถุทานั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความครอบธรรมไม่ยามาเดี๋ยวไปโกงใครเข้ามาทำด้วยความเหนื่อยยากจึงบริสุทธิ์ทานที่ให้แล้วบริสุทธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็เรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์แต่ให้หวังผลตอบแทนก็หมายความาเจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ออของ ให้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการค้าเป็นการค้าขายไปแลกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรียกว่าทานปกติทานธรรมดาทางด้วยส่นแต่นั้นแล้วก็ให้เมื่อวังพ้นกแทนจะเอาไปทิ้งไปว่างอย่างไงก็ตามใจไห น, นมาบริจาคแล้วก็ขึ้นใจดูใจ บริจาคไปแล้พนางบริจาคนี้ก็สบายโอกสบายายหลังจาก บ, บริจาคจากแล้วก็ขึ้นใจในพานการสุสลที่ตนบริจาคและได้กระทําแล้วทานได้กระทําแล้วทัท้งอดีตที่ผ่านมาเวลานาคเไหถ้าชะละแต่ชะลาจะไปไว้เสล้าเขาประการใดก็นึกถึงทานไว้ทะ่เราได้ทํำบุญไวยทั้งอดีตและเมื่อชาติตั้งก่อน ตลาดรายการปัจจุบันนั้นเราก็ดีออกดีใจื่นใจช่บุญตัวแสบที่เราทำาให้กระตนเป็นประการสัมผัสไม่ทิ้งบุญไม่ทิ้งทานถ่อมาภาวนาไว้อยาเลาเ่มาปฏิบัติกรรมถานบเพ็ญปิติภาวนารักษาเบือสดงดเว้นสิ่งขั้รลาสามานทั้งหลายติดใจก็ขายใจสะอาดโดยสุดทางให้ท่านถึงกบเบลีสุดเพื่อ ทานบริสุทธิ์ทุกอย่างจิตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาถานสิ้นบำเพ็ญสี้จิตจะสะอาดหมดจดไน้ถ้าต้ อ, องภ า, า, า, าวนาเจริญปัสสิทธิานสิ้นกายกายโยธาจุตธรรทานเนี่ยมีสามประเภทจิตธรรมสำหรับทานปฏิบัติทานข้อตอนคือให้ดูเชื่อาม่นเป็นลาวให้ไปอย่างนั้น ให้ตายหวังผลหรือตาแทนได้เดียงว่ากุศลนี้กับเท่าหรือให้เพื่อหวังผลก็แลกเปลี่ยนต้นต้นทานกุศลอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลแต่แทนน่ะไม่ต้องตามอันใดอยู่ต่อต่ให้แล้วก็เลกผันาปไม่จดไม่จําไม่จําไม่จดไม่จดไม่จําเพราะเราทานนั้นไม่หวังผลต่แทน ทางขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วจิตก็ใสสะอาดบริสุทธิ์านก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตใสสะอาดถ้าเราบำเพ็ญศีลปฏิบัติกรรมฐานจิตใจก็สูงขึ้นไปตามอยากทุกขามาจะบรจับความเรื่อตัวได้หวังผลไปสู่มรรคสู่ผล จากผลบัตรมนุย no. like, ์ว่ยงจากมนุษย์ผบัตรขวางผลไปถึงขวางผลบัตรจุดมึ่งมากการพนานิปานผลบัตได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยประช่าเป็นประโยชน์แดนในขวางผลใดๆสร้างเครื่องประดิษน์ปิพาพรก็ถอดให้ไปได้ส้างพระมังกอยู่เดิทุสะก็ถอดให้ไป ทุอส่วนทุกอย่างให้หมดที่หลังผลชระโพธิญาณในนาเขาจะทานไดน้ง่าแต่ไปไม่จำเป็นต้องค อ, นะอยนะแหนยเมตไนยนาก็ให้เป็นทานได้ควักออกไปได้เบล่งจุดเบลองใจัสสะอาดก็ามาถให้าทานได้แก่ตาเปของข้าได้แต่พระพาลีกัญหาเบลองจุดเบลองใจนั้นคล้ายว่าคู่เพื่อกุคต เลี่อมคืิเวกันาคีอแม่ธมสิแต่สา ม, มารถให้ทางได้เช่นเดียกันอันนี้ทานท่านสูงที่สุดน้แต่การดีหลังครับท่านเปิิยานในา น, าาานาคตการเบื้องหน้าต่อไปทานตรงมีหลายประเทศที่เราขยายทางอาทานเอายวถั่ปาพยายกระถินมีคนแย่งกันละ อันวิของตะถิ ma rewarded, says, ่นดีหรือตปาดีบางชาติขยปาอันิงถิ่นบางชาติขยะตะถิ่นงตะ่าไม่ใร่งนั้นอยู่ที่เตนาของชาติบางคนทำบุญมาทานไต่กองแต่ไม่ได้บุญเลยจไม่มีความสุขใจไม่สบายต้อเหตุใดทานน่าจะเพื่อได้มั้ยแต่ทาไม่เ เมื่อพ้่งติดกับภาวนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้คสามวาระทานและแตสศนลภาวนาทานเราให้กันเทีย่ยงตาเป็นธรรมดาแต่ศีนแต่ปี่แบบนี้จะได้แต่ตัวเองมีภาวนาซึ่ง้วจะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผู้ออใดก็ของดีให้ของเสือจะไม่ให้ ถ้าด ha. ah, ีก็ไปได้ดีตอนมาให้ของเพื่อเขไปก็ได้งเพื่อตอบนมาถ้าทาให้เพื่อเพราตามกาหนดียูตามวาระแล้วก็มีทานถึงลภัยนาถไปไหนมีอสยาสน้ใจงามแต่เป็นศิลด้วยงายศิลป์จเอาคาเออหน้าถ้าหากว่าสญาสาไม่ดีไม่สนใจจะให้ทานไม่สนใจแม่ตาจะอเด้อยท่านอู้ใดหร พอมาสามารถจะเข้าถึงองค์สิญดาห์แต่ดึงเอาทานออกมาเป็นอดับหนึ่ขอพูดพึ่งแห่งสองติดติดเป็นจุดถอนหนูสูงหนูสมาธิจิตใจก็สะอาดหมดสดผาของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาก็หยุดเจริญกุศลภาวนาผานน้อยก็ได้ผลเ็นธรรมตาเชื่อการทําดยความตั้งใจทาโดยจิตเป็นจุดถ ทำด้วอารมณดูมีปัญญาในหลวงฝนจะแลกเปลี่ยนปฏิปทามไดสามารถให้ทานอันนี้พุทเธศผลให้เจดียามันดาปุยญาตายายหรือผู้ศึกษาจากโลกตะแลวคือพมฤตย์หรือท่านผู้เกยจะเป็นเจดยามันดาปุยญาตายายนี่จะเป็นญาติพี่น้องของเดียร์ตานสายโดยผิ้เดียร์ตานตามทวายสังทานให้ เพียงให้ใจ้ากรรมเจ้าเรเจ้เวรในตรามนั้นอาจกระดกผลในปัจจุบันถ้าเจริญกรรมฐานเรีแล้วทานจะเห็นพันตาในปัจจุบันนัเองแต่เราไม่สามารถมาเติมเต็กุศลภาวนาได้ทานนั้นอาจจะละชาอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประทานได้จิตนี้เป็นกุศลมหากุศลมหากุศลสุดป่า เกิดขึ้นแต่ดวงอาภัพไทยสยะอ า, าดเมื่อใดทานนั่นจะทรงสนทันผู้อยู่ในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็ ส, ากสาบายจิตใจก็มีความสุขหกาสะจา ก, ากาจทุกสมมาตฐา น, ออ น, น, นาทุกระกานขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้ดูดเมื่อธรรมะปฏิบัติและเยียวยาผะไว้ท่ า, ทานอาชาในเอกบาทนี้นะยังเป็นมหากรุพรดวงบรรดาที่ความตั้งใจมา ทา้ายจะเขวี้ยงทานฮะจะคลายอุทุสฮะจะบิดามันดาฤทธิ์ปุ๊กเปลียนฤทธิ์ปุตกยากไรส่ที่ไหนจะตามใดหรือเจ้าเวรในตามเจ้าตามในเวรจงมารับเถื่อนอุโผล่ของเราบัดรมียักิเพยพันเต๋อสังเถส่วนหนึ่งขอบูชาพระพุทธเจ้าส่วนที่สขอถึงพระสงฆ์ส่วนที่สามขอทุ่งถึงผู้ทรงสิลป์ทรงธรร จะ ป, ปฏิบัติกรรมฐ า, านจะได้รับบินอันเนืธนานส่วนกุศลรับถ้าสายเลี่ยนตันทีประกานที่มีช่สี่นั่นเล่าจะขอพามานนี้ถึงเต่เพื่นจะเลี่ยงลาปยเตอร์ทั้งไม่หยุดพักจสมารับเลาทางตามรเปโฉของท่านผู้บริกัาในโอากาสคงนี้พยายามื้อห้าต่อไปขอใจเดินใจตามตรงไอ้เฮสิจเงี้ยอย่าช่างเดนช้างตามต่ อ, อไปเลย ตเงียเวนเงีตานย่าจองเวียนจองตามตามะกรดูการอย่าจองเวีนจองตามปการใดบริจาคจิตใจเี้ยงละคามเพื่อแตตัวไปจะได้มีเงียบมีตมมีภัยแต่ตัวเองต่ไปตดวเองก็บริสลาพรจากเมืองจึงโพธไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายต่อทภยที่จะทับถน อาามูชื่อพงศ์ปิ้วท่านตายจุตทานสิลาพญนาครบสามวันละจิตใจท่านจะได้เป็นมหาปุถลมจะไปกราบแท่งเห็นทัมโดนใด้ทานที่ปฏิบัติทำได้ด้วยฤาษทานด้วยหรือพระลได้ด้วยเป็นทั้งชายยกเป็นทั้งชายุกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งัุงติกาเป็นทั้งวิทยากร ครบเพื in 一一 it, more, os, more, ่องกระบวนการจะไปเหนือมาได้จะเกลียแทงเห็นกันเดนใดจะไม่ไปสู่อันในโลกที่ตายกับโลกฐามแน่แนที่เจะไปเกลียดในถิ่ามบ้านในหมู่บ้านเศีมหาเศรีจะดนมันมือฟื้นกตายจะการดูของจะไปียดแทงเห็นกันเดนใดจะเพื่อถึงฐามไดจะมียะเวงาธนาญาติปนมะราบเป็นมดุ ตลอดจะตามจะมีเลิกมืหลานก็ย่านอนสอนง่ายจิกละตามจะตามที่สามจะไปเจอแทงโหนกระบนได้มือระเธอถิ่ถามได้ก็ตามจะเติมไปเบี้ยวเลือดประสาแพทยศาสตระเม็นยาบาลอยู่ใกล้คิดมีคนอุตสาหละมีคนช่วยเหลือตละตามเวลาละตามที่สี่นี่แหละจะไปเจอแทงโหนกระบนได้จะมีอาะมหาวิกเทลายตามศึกษา ใลรู้ได้ศึกษาเล่าเรและมีวิชาการในนาคตะการเบื้องหน้าศึกษาข่ประาากรระารที่ห้านั้นหละจะไปกทเห็นระบนใดจะมีเครื่องผลพร้อมเดือยมนุษตสมบัติพล้อเดือยสวรรคบัินิพพานชบั ต, นบตอ น, นาณาโคติชายสบายสะดวกสบายจอภัยทั้งน้ำทั้งใฟเครื่องใช้บริขารชค่วงใช้ตามอันใดมืเครื่อเครือรคร่องประเบื้งตามให้เหือมือแล่นใจจัดจานไป จะทำ่ะเรก็ตอดภยัยไมงมี้วามเหยียดจางไรในข้อสุดท้ามที่เป็่นทางจิตใจก็ได้มาจามพานธิมาภาวนาขาออาณาโมขนาสาธุกังกัตคนาจภาพญที่บวกเมธตามะปฏิบัติในพิตตศาสนาขอให้คนทั้งหลายเข้าถึงสุธธรรมเข้าถึงธรรมสองขอาจาิตตปฏิบัติได้ขอให้ปฏิ บ, บัติโดยสิทธ่อเนื่องไป ให้มันเสมอเต้นเมอลายคนทำได้นทำดีม่ได้ดีมันดีจำบ้างสมอยเขามาทำไม่เสมอเตนเสมอลายทำความดีผิดสถานที่ทำความดีผิดเจอบุคคลทำทักษะทำความดีผิดกาลเวลาทำความดีไม่เสมอเต้นเสมอลายถ้าทำเสมอเต้นเสมอลาย ปฏิบัติตกรรมฐานเสมอเป็นเสมอปลายท่านจะได้รับ้น อ, อมมนุสงผลมากศาสนาดังเด็กชี้แจงเรียนมาณบัด น, นี้ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านหลายผู้ใข่ทำผู้ไข่บุญขอให้เปนในุ่มอิเ็นเสือให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์ ต, ต่อชีวิตของท่านมีค่ามีราคาแพง โดยตีข้าราคาไม่ได้วยาราคาเท่าไม่เหมือนเพชรมุ่งเป็นดาวตีราคาตามกลับตีราคาตามหนักบากเป็นก้อปที่ยึนี้มนเรื่องแท้ที่ยึนี้มีอาะแบงขังที่ยึนี้จะอยู่ ไ, ได้โดยกามเจริญศึกเจริญรัฐมาราภพริตกาธานาาอ ข, ข อ, ข อ, ขอควารเจริญรื่เริจงจรงนี้แต่พระมหากษัย พอที่ข่านจงตะลอนก็โดยอายุยามหน้าถุกขาพะละปฏิภาณพงาสามเป็นบัตเมื่เพื่อจงินึ่งละตามดายเส ม, มาจนาจัุพงาด้วยกันทุบด้วยุดนามหนาโอกสาสแบบนี้เธอ